นั้นพระองค์เนี่ยเป็นเปรียบประดุจทะเลพร้อมด้วยสาวกให้ครองผ้าใช้คําว่าสาวกนีนิยมเน้นคําว่าสาวกเพราะเน้นว่าที่เขาทําบูชาเนี่ยเน้นกับผู้ที่ทํากิจในอริยสัจแล้วเป็นหลัจกจะไม่ใช้คําว่าถ้าใช้คําว่าภิกษุทั่วๆไปนี่ก็ไม่แน่แต่ถ้าใช้คําว่าสาวกที่ไหนให้รู้เถ่าว่าผู้ที่รับทานเนี่ยคือผู้ที่ทํากิจอริยสัจเพราะสาวกก็แบ่งเป็นสองกลุ่มคือเสขะและ อเซฆะเนี่ยนะถ้าพวกพระเซขะก็กำลังทากิจในอริยสัจอยู่ถ้าพระอาเสขะก็คือทากิจในอริยสัจแล้วแล้วก็พอทําบุญให้ทานกับผู้มีคุณธรรมเช่นนั้นก็มอบลงแทบบาดมูลปราทานฐานันดร น, นั้นก็คือฐานะอันนั้นนะลำดับนั้นพระพุทธเจ้าพูดเลิศกว่าลูกได้ตรัสว่าดูก่อนพรามผู้สูงสุดจงดูพรามผู้สูงสุดที่มอบอยู่แทบเท้าผู้นี้ มีพระสมีเนี่ยนะเหมือนกลีบดอกบัวพรามนี้ปรารถนาตำแหน่งแห่งภิกษุผู้แตกฉานในปฏิสัมพิธาเนี่ยซึ่งเป็นตำแหน่งประเสริฐสุดเพราะการบริจาคทานด้วยศรัตนนและเพราะการสดับพระธรรมเทศนาพรามนี้จะเป็นผู้ถึงความสุข น, นะในทุกภพเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่จะได้สมมโนรสเช่นนี้ ก็พระองค์ก็ออกนเน้นไปที่เหตุก่อนใช่ไหมพราหมนั้นเขามีเหตุคือบริจาคทานตลอดเจวันทานที่เขาทํานี่ทําด้วยศรัทธาทานใดที่ทําให้ด้วยศรัทธาให้รู้เท่าว่าทานนั้นเนี่ยมหากุศลญญาณสัมปยุทธ์ถ้าเป็นพราหม์คนนี้นะอาสังคาริกเลยเนะีมหากุศลญาณสัมปยุทธ์นะถ้าบอกศรัทธาอันนั้นหมายถึงโสมนัสแล้วก็ญาณสัมปยุทธ์ ด, ด้วยอาสังคาริกด้วย ให้ทานนั้นและก็เพราะสดับพระธรรมเทศนาเนี่ย น, นะก็คิดดูว่านิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันเจ็วันพระองค์ไม่ฉันเฉยๆแล้วก็กลับไปรอกพระองค์ก็แสดงธรรมน่ะ น, นะเจ็ดวันเนี่ยแล้วก็ที่พระองค์มาฉันในบ้านนั้นอนะ่ะก็ต้องมีการแสดงธรรมจนผู้ฟังในที่นั้นอนะ่ะบรรลุมรรคผลแต่ในรายละเอียดนั้นอนะ่ะปริยย่อยเขาไม่เอามากล่าว น, น, นะเพราะพระองค์จําไม่ใช่ว่าไปฉันเฉยๆเนี่ย น, นะหมายถึงว่าตรงนั้นจะต้องมีผู้จะฟังธรรมและจะบรรลุมรรคผลเป็นต้นอยู่พระองค์จึงรับไปในกับอ่า ปองก็พยากรณ์ต่อไปว่าในกับนับแต่นี้ไปหนึ่งแสหนึ่งพระศาสดามีพระนามว่าโคดมซึ่งสมพบในวงของพระเจ้าโกากากราจจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพราหมณ์นี้จะเป็นธรรมทาญาตของพระศาสดาพระองค์นั้นจกเป็นโอรสอันธรรมเนรมิตรเป็นสาวกของพระศาสดามีนามว่าโกติตะนะก็ได้รับพยากรณ์เลยใช้ศพท์ว่าพราหมณนี้จะเป็นธรรมทาญาต ธรรมธาญาตเนี่ยซึ่งต่างจากสิ่งที่ตรงกันข้ามกับธรรมทาญาตก็คืออมิตทายาตอมิตทายาตคือกลุ่มไหนคือกลุ่มที่มุ่งปัจจัยสีเรียกว่าอมิทายาตหรือกลุ่มที่ทําบุญแล้วปรารถนาพบกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มอมิตทายาตเนี่ยนะพวกที่เน้นปัจจัยสี่มากเน้นสุขติพบอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่สนใจอะพวกนี้อมิตทายาตแต่พราโมนี้ไม่ใช่เป็นกลุ่มธรรมทาญาต ธรรมะทายาทก็คือผู้ที่รับโลกุตระธรรมคือมรซีผลซีและนิพานหนึ่งจากพระพุทธเจ้าแล้วก็จักเป็นโอรสอันธรรมะเนรมิตรพระโอรสนี้แปลว่าบุตรที่เกิดจากอกอกก็คือหนึ่งนะอกคือปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ธรรมใช่ไหมอกในที่นี้นะเราก็ต้องหมายถึงทายวัตถุหทายวัตถุเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงปัญญาปัญญาอันนั้นที่มีอยู่ในจิตของพระพุทธเจ้าจิตอันนั้นทําให้พระองค์ แสดงธรรมเมื่อแสดงธรรมผู้ฟังแล้วบรรลุธรรมชื้ชื่อว่าเขาเกิดจากอกของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าพระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมเขาจะบรรลุไหมเนี่ยนะขอไม่ใช่เพราะฉะนั้นพระองค์แสดงธรรมอ่ะนะปัญญาที่แสดงอ่ะนะปัญญานั้นถือว่าเกิดในในอกใช่ไหมเกิดในอกเนี่ยถ้าเกิดในอกแสดงธรรมอ่ะผู้ที่บรรลุเพราะการแสดงธรรมของพระองค์จึงเรียกว่าโอรสโอรสผู้เกิดจากอกแล้วก็ท้าวถูกธรรมะเนี่ยเนรมิตขึ้น ธรรมะเนรมิตเนี่ยธรรมะคืออะไรเนรมิตก็โดยเฉพาะมัคคสัตนะเนรมิตขึ้นนี่นะอริยมัคคสัตนะนั่นแหละที่เนรมิตขึ้นเพราะเขากําหนดรู้ทุกละสมุทยัยรำนิรโรธให้แจ้ง น, น่ะนะเพราะนั้นก็ถูกมักผลนิพพานนั่นแหละเนรมิตให้มีคุณธรรมเนี่นะผลพอพระพุทธเจ้าพยากรณ์อย่างนั้นเราก็ได้ฟังพระพุทธเจ้าพยากรณ์แล้วก็เป็นผู้เบิกบานมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาบำรุงพระ ชินศีเจ้าตราบเท่าชีวิตนะก็ทำบุญตลอดชีวิตเลยในครั้งนั้นเราเป็นผู้มีสติประกอบไปด้วยปัญญาเพราะผลแห่งกรรมนั้นและเพราะตั้งเจตจำนงเอาไว้นะก็พูดถึงเหตุนะนะทำดีไว้ได้ใช่ไหมการทำบุญเอ่อเห็นพระพุทธเจ้าแต่งตั้งภาษาวกจิตเลื่อมใสถวายทานฟังธรรม แต่ล้วก็ตั้งความปรารถนาตําแหน่งเอตัคขะอันนั้นเรียกว่าปุเพกตะปุญญตาใช่ไหมอัตตะสัมมาปณิที่ดีปุเพกตะปุญญตาเนี่ยดีละเพราะผลแห่งกรรมนั้นและเพราะการตั้งเจตจํานงนั้นเราละร่างมนุษย์แล้วก็ได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงเราได้เสวยราชสมบัติในเทวโลกเนี่ยสามร้อครั้งได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอีก500ร้อครั้งและได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบู์โดยเวลาสุดหาคนานับก็คือมากมายนะ เพราะกรรมนั้นน่ะนำไปบุญที่ทำไว้ดีนะคอยตามปกปักรักษาตลอดเลยใช่ไหมกรรมนั้นน่ะนำไปเราจึงเป็นผู้ถึงความสุขในทุกภพเราท่องเที่ยวไปในแต่สองภพคือในเทวดาและมนุษย์คติอื่นเราไม่รู้จักนี้เป็นผลแห่งกรรมที่สั่งสมไว้ดี น, นะก็คือทำบุญในสาพระพุทธเจ้ากับพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ทาแบบชนิดที่เรียกว่า ไม่ใช่ทําแบบนี้นะทำแบบสมณัต ม, มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยนะพื้นฐานนะฐานก็ดีสารณคมก็ดีฟังธรรมก็ดีเนี่ยแล้วก็ไม่ได้บอกนะว่าผู้ทรงไตรเพศฟังพระพุทธเจ้าเทศอริยสัจเนี่ยเขาจะเข้าใจอริยรสัจสักขนาดไหนเนี่ยนะตรงนั้นก็มีอยู่ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้เอามาแสดง น, น, นะนะเจริญกุศลได้หมดนะ่ะเพรันกรรมที่สังสมไว้ดีเนี่ยเพราะเราจึงเกิดในตระกูลสองคือตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์ เกิดแต่ตระกูลที่เขาเคารพทั้งนั้นเลยหาเกิดในตระกูลตามสามไม่นี้เป็นผลแห่งกรรมที่สั่งสมไว้ดีแล้วกุศลกรรมเนี่นะถ้าสั่งสมไว้ดีนี่ก็ก็มีความสุขไปเรื่อยใช่ไหมแต่ถ้าบา ป, ปรกรรมที่ทำไว้ไม่ดีเนะี่ยเหมือนในเหมือนคนมีคดีติดตัวสานวนที่ดอกวัวสันหลังวะนะไปที่ไหนก็ระแวงตลอดนะเดือดร้อนอยู่ตลอดแต่คนมีบุญไปที่ไหนก็มีความสุขหมดนะนะ่ เมื่อถึงพบสุดท้ายเราเป็นบุตรของพราหมณ์เกิดในตระกูลที่มีทรัพย์สมบัติมากในพระนครสาวัตถีมารดาของเราชื่อว่าจันทวัตถีบิดาของเราชื่อว่าอัศาลาอั ศ, า ล, อศาลายณะเนี่ยนะในคราวที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําบิดาของเราเพื่อความบริสุทธิ์ทุกอย่างแสดงว่าอั ศ, า ล, อ ศ, าอศาลายะอัศลายณะพราหมณ์เนี่ยเขาฟังธรรมแล้วก็บรรลุมรรคผล เราก็ฟังอยู่ด้วยนะก็เลยเลื่อมสายในพระสุโคตเจ้าได้ออกบวชเป็นบนรรพชิตเลื่อมสายก็ออกบวชหนึ่งนะท่านเกิดในปฏิรูปประเทศใช่ไหมสังคมสิ่งแวดล้อมดีพ่อแม่เป็นสัมมาทิฐิเนี่ยนะเพราะพ่อแม่ฟังธรรมอะ่ะเสร็จแล้ว พ, พอเกิดในปฏิรูปประเทศพระพุทธเจ้าก็มาสงเคราะห์ที่เป็นอย่างนั้นเพราะปุเพกะตะปุญญาตาดีบวชเข้ามาเนี่ยมีพระโมคคัลลานะเป็นอาจารย์มีพระสารีบุตรเป็นอุปชาคิดดูมีบุญมาขนาดไหน เราตัดทิฐิพร้อมด้วยมูลรากเสียได้ในเมื่อกําลังปลงผมโกลผมเนี่ยขณะโกนผมเป็นพระโสดาบั น, น, น, นโกนผมเนี่ยคือไอ้ที่โกนเป็นพระโสดาบันเนี่ยเนื่องจากเจริญมูลกรรมฐานเนี่ยนะกรรมฐานสมัยนั้นที่เขาต้องให้ก็คือเกสาโลมานขาธันตาตาโจนี่ปฏิกูลโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยโอกา ส, โ ด, โ, กาสโดยประชดแล้วก็แสดงโดยความเป็นธาตุเนี่ยนะก็คือแนะนําเรื่องมหาพูดก่อนผมคนเล็บฟันหนังก็คือปทวีธาตุนะ แนะนำเรื่องปฐวีธาตุต่อจากปฐวีก็อาปโปเตโชและวาโยนะก็นั่นคือรูปขันเมื่อรูปขันก็อานามธรรมทั้งหลายที่อาศัยขันเหล่านั้นเกิดก็เป็นนามขันนะ น, ะนั่นก็คืออุปาทานขันห้าก็พิจารณากระมิจฉาทิฐิในขันห้าเหล่านั้นได้เลยนะไม่สําคัญขันเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราอะไรนะไม่มีวิจิกิจชาสงสัยอีกเลยเนะั่นก็โกนผมเสร็จเป็นพระโสนาบัน เมื่อโกนผมเสร็จก็ทำไงก็ไปครองผ้ากาสาวพัดใช่ไหมครองเสร็จก็บรรลุเป็นผ้าอรหรันมีบุญจริงๆเลยนยะแต่ว่าฟังธทรมาเยอะแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ฟังมาหน้าก่อนหน้านี้เลยฟังมาเยอะแล้วเรานี่มีปรีชาคือปัญญาแตกฉานในอัดในธรรมนิรุตและปฏิพานนะแสดงว่าความเข้าใจในเรื่องอริยสัจ ท, ท่านดีเยี่ยมเนี่ยนะเพราะแตกฉานในอัดคือทุกสัจกับนิโรสัจแตกฉานในธรรมคือสมุทยัยสัจกับ มักสัตย์เนี่ยนะนิรุตติก็คืออาอริยสัตว์มาแสดงนะปฏิพานก็คือสามารถที่จะเอาอริยสัตว์มาแสดงโดยแง่มุมต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เลิศกว่าโลกจึงทรงตั้งเราไว้ในตําแหน่งเอตทะขะเลิศ ด, ด้านปฏิพาณเนี่ยคือท่านสามารถหยิบเอาอัตคือคําเช่นคํากับอัฐะพยัญชนะนะว่าคํานี้มีอัฐะอย่างนี้มีพยัญชนะอย่างนี้มีนิรุตติอย่างนี้มีปฏิพานอย่างนี้เนี่ยนะ สามารถคำถามเขาไม่ได้ถามแค่เรื่องธรรมดานะถามจนถึงเรื่องนิโรธสมาบัติเนี่ยก่อนจะเข้านิโรธสมาบัติเข้ายังไงออกยังไงรู้อะไรวิจัยอะไรทําปริญญายังไงเนี่ยนะ เ, เช่นคนมีศีลเนี่ยถ้าจะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลชั้นสูงต้องทายังไงก็ทําปริญญาในเอตะเอตะทักฆะก็คือแปลว่าเป็นผู้เลิศนั่นเองเอตะทักฆะก็คือผู้เลิศนะนะเขาบอกว่าเรื่องเนี่ยเขาเลิศที่สุดนะ อะไร เ, เ, นนเรีนเน ย, ย, ยกว่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นน่ยนะสมัยในเขาจะใช้คําว่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นแต่ว่าเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นที่เรียกว่าหาผู้เสมอเหมือนไม่ได้เว้นพระพุทธเจ้านะแตคือในเรื่องเนี้ยเขาแจกชานก่าคนอื่นหมดอ่ะเราอันท่านพระอุปติสสะไตถามในปฏิสัมพิทาก็ได้แก้ได้โดยไม่ขัดข้องตอบถามได้สบายว่างั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้เลิศในพระาศาสนาเราเผากิเลสทั้งหลายสิ้นแล้ว ใช้คําว่าเผากิเลสนะถามว่ากิเลสเกลดเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่ปียรูปสาตรูปอ่ะนะท่านพิจารณาปียรูปสาตารูปจนเผาฉันทราคะได้หมดอนะ่ะแสดงว่าต้องทํากิจมามากขนาดไหนนะไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันกิเลสมันหายไปเองอ่ะนะในนี้นะมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอ่ะนะเนื่องจากว่าพิจารณาปียรูปสาตรูปจนบริบูรณ์เปี่ยมล้นหมดจึงตัดฉันทราคะในปียรูปสาตรูปได้ ก็บอกว่าตัดกิเลสเครื่องผูกพันดังช้างตัดเชือกได้แล้วเนี่ยนะเป็นผู้ไม่มีอาสะวะอยู่อารมณ์ทุกอย่างที่ท่านรับไม่มีกามาสะวะไม่มีทิฏฐาสะวะไม่มีภวาสะวะไม่มีอวิชชาสะวะในทุกอารมณ์เลยนะอารมณ์หกเนี่ยคิดดูอ่ะเราคิดดูว่าผู้ที่เป็นพระอรหันเนี่ยท่านไม่มีอาสะวะในกับทุกอารมณ์เนี่ยทำได้ยังไงฮะนะนั่นก็เป็นสิ่งทำยังไงจริงจะมันยังไงกามาสะวะคือเพลิดเพลินใน ทุกอารมณ์เรียกการมาสะวะทิฐิที่เกิดขึ้นกับอาสะวะเหล่านั้นเรียกว่าทิฏฐาสะวะความปรารถนาอุปาทานขันห้าอันจะมีต่อไปเรียกว่าภวาสะวะแล้วอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยมองเห็นอริยสัจได้หมดนะใครครวญโดยอริยสัจได้ทุกอันนะใครถามว่าทำยังไงก็คือทุกอารมณ์ท่านพิจรารณาทั้งโดยอาส า, าทาอาทีนวะและนิสารณะปับทุกอารมณ์ได้ท่านจึงเป็นผู้สิ้นอาสะวะ การที่เราได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอะนะบอกโหไม่ผิดเลยนะที่ได้มานับถือพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้านี้ไม่ผิดเลยว่างั้นวิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับก็คือบรรลุระลึกชาติได้รู้สัตว์เกิดสัตว์ตายทั้งอนาคตััลยานเนี่ยนะจุตูปปาตยานนี่ต้องบวกกับอนาคตังลยานด้วยเสมอเนี่ยนะแล้วท่านก็ทา แทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะอาสวัคยายายนก็คือยานในอริยามรรคอริยผลนั่นเองคุณพิเศษเหล่านี้เนี่ยนะก็คือปฏิสามพิทาสีวิโมกแปดอภินญาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นคำของท่านที่เปล่งเอาไวในคำพีอุทานคือผู้ที่ได้คุณธรรมเหล่านี้เนี่ยแม่แต่หลังพุทธปรินิพานแล้วก็ได้เนี่ยนะ แต่คุณธรรมเหล่านี้นะอย่างพระอารหันต์ที่ทําสังขยนาเนี่ยนะทั้งสังขยนาครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยเป็นพระอารหันต์อิจตระเป็นได้วิทยุณธรรมเหล่านี้ทั้งหมดเลยะที่ทําสังขยนาครั้งที่สองที่สามเนี่ยนะครั้งแรกนี่ก็รู้อยู่แล้วแต่ครั้งที่สองครั้งที่สามมีคุณธรรมเหล่านี้หมดเลยอืมก็ได้คือได้ไม่ได้ก็เรื่องเฉพาะตัวเกันนะถ้าได้จริงก็อนุโมทนาด้วย ไม่โสดาบันก็ได้ปฏิสัมพิทาละเพราะปฏิสัมพิธานี้แบ่งออกเป็นสองกลุ่มเนสะขะปฏิสัมพิทากับอาเสขะปฏิสัมพิทาถ้ารู้อริยสัจเมื่อที่ผู้ใดรู้อริยสัจผู้นั้นชื่อว่าได้ปฏิสัมพิธาแล้วเอาก็ทุกขสัจกับนินโรสัจเป็นอะไรเป็นอัถฐปฏิสัมพิทาใช่ไห ม, มสมุทยัยสัจกับมรรคสัจเป็นภ า, นน า, า, าริยทั้งหมดต้องได้ปฏิสัมพิทาหมด แต่ว่าจะเลิศจะเอตทักคะเชี่ยวชาญแตกฉานหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งเพราะการเห็นอริยสัจนั่นแหละคือการได้ปฏิสัมพิธาก็ถือว่าปัญญาแตกฉา น, นนะเพราะอัฏฐปฏิสัมพิทาคือทุกขสัจกับนิโรสัจเนี่ยนะส่วนธรรมปฏิสัมพิ t าก็คืออะไรสมุทัยกับมรรคสัจเนี่ยนะแต่ทีนี้จะมีนิรุตติมากน้อยอีกเรื่องหนึ่งอนะ่ะจะมีปฏิพานมากปฏิพานน้อยอีกเรื่องหนึ่งละ แต่ก็ต้องมีอ่ะก็คุณไม่ได้เป็นเศรษฐีแล้วคุณไปที่ไหนบอกว่าคุณเป็นเศรษฐีมีผลไหมมีผลอะไรบ้างก็ถ้าถ้าได้จริงนะแล้วก็พูดทำไมนั่งคำถามนะยถ้าได้ไม่จริงแล้วพูดทำไมนะก็ประเด็นที่ต้องถามอีกเยอะเลยนะ ท, ทีนี้ย้อนมาหาท่านท่ามหาโกธิตะเน่ยนะว่าย้อนมาประวัติในชาตินี้อีกครั้งหนึ่งนะเขาสังสมบุญ และญาณนสัมภาระบุญและญาณเนี่ยนะทำไมจริงบุญนี้มันก็คลุมถึงปัญญาด้วยใช่ไหมแต่ว่าปัญญานี่เป็นเรื่องพิเศษเหมือนกันท่านก็เลยสั่งสมซึ่งบุญและญาณสมภารในภพนั้นนั้นอย่างนี้แล้วท่องเที่ยวไปไปมามาในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลในกรุงสาวัตถีในพุทธบาตรการนี้มารดาบิดาก็ขนานนามเขาว่าโกธิตะ โกธิตะมานพเจริญวัยแล้วก็เรียนไตรเพศสำเร็จศิลปะศาสตร์รรของพราหมณ์วันหนึ่งไปยังสำนักของพระาศาสดาฟังธรรมแล้วได้ศรัทธาบวชจำเดิมแต่เวลาที่อุปสมบทแล้วบำเพ็ญวิปัสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาญานเป็นผู้เชี่ยวชาญในปฏิสัมพิทาญานเข้าไปหาพระมหาเถระผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแล้วก็ถามปัญหาก็ดีเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามปัญหาก็ดีก็ถามปัญหาเฉพาะในปฏิสัมพิทาเท่านั้นนะเนี่ พระเถระรูปนี้เป็นผู้เลิศกว่าพิสุผู้บรรลุปฏิสัมพิทาทั้งหลายเพราะเป็นผู้มีอธิการคือบุญอันกระทำไว้แล้วในภพนั้นและเพราะเป็นผู้มีความชํานาญที่สั่งสมไว้แล้วดังพันณ า, ามานี้ครั้งนั้นภาษาสดาทรงกระทำมหาเวทลสูตรให้เป็นอุปติเหตเนะุทรงตั้งท่านไว้ในตําแหน่งผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายผู้บรรลุ ป, ปฏิสัมพิธาญาณโดยมีพระพุทธดำ ร, รัสว่าดูความพิสุทั้งหลาย พระมหาโกธิตะเลิศ ก, กว่าภิกษุสาวกของเราผู้บรรลุปฏิสัมพิธาสมัยต่อมาเมื่อท่านสเสวยวิมุตติสุขได้กล่าวคาถาเปล่งอุทานที่กล่าวว่าได้ยินว่าท่านพระมหาโกธิตะได้พาสิทธิคาถานี้ไว้ว่าบุคคลผู้สงบงดเว้นจากการทำความชั่วพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านย่อมกำจัดบาปประรมทั้งหลายเหมือนลมพัดใบไม้ให้ร่วงหล่นไปฉะนั้น คำว่าบุคคลผู้สงบนนะสเนี่ยนะอุปสรรคโตเนี่ยหมายถึงว่าเพราะกระทําความสงบระงับอินทรีย์ทั้งหลายมีใจเป็นที่6ทําให้หมดพยศแล้วอันนั้ถามว่าตาพยศเนี่ยพยศไปไหนก็คือดึงไปหารูปเป็นที่น่าพอใจบ้างหน้าชังบ้างหูจมูกลิ้นกายใจที่พยศนะก็ดึงไปหากิเลสอะกิรก ว, ว่าดึงไปหาความเสียหายอะนะมันผู้ที่สงบแล้วก็คือไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจพาเสียหายอีกแล้วเรียกว่าหมดพยศ บทว่าอุปปรตโตความว่าคืองดเว้นจากการทำความชั่วทุกอย่างบทว่ามันตะพานีความว่าปัญญาท่านเรียกว่ามันตาก็บุคคลชื่อว่ามันตะพานีเพราะพิจารณาด้วยปัญญาแล้วจึงกล่าวมีกรรมสกตาปัญญาเป็นต้นแล้วจึงจึงได้แสดงได้พูดอธิบายว่ากล่าวโดยไม่ละความเป็นผู้กล่าวในกลาละเป็นต้นนะนะก็เรียกว่าพูดถูกพูดเป็นอัดพูดเป็นธรรมพูดถูกกาลพูดคําสัตย์ พูดคำจริงแล้วก็สืบต่อในเรื่องของสัจจะเป็นต้นนั้นี่ยก็เรียกว่าพูดด้วยปัญญาเนี่ยนะก็คือเอาแต่ความจริงมาพูดแต่การเอาความจริงมาพูดนั้นอ่ะพูดยังไงพูดถูกการพูดถูกเวลาพูดแล้วก็ผู้ฟังได้รับประโยชน์เนี่ยนะพูดด้วยเมตตาจิตเป็นต้นนั่นเองเพรผลบุคคลผู้ชื่อว่ามันตะพาณีเพราะกล่าวด้วยสามารถแห่งการกล่าวมนอธิบายว่าเว้นคําที่เป็นทุพภาสิตธ์กล่าว แต่คําที่เป็นสุภาษิตอันประกอบไปด้วยองคศีเท่านั้นโดยการกล่าวของตนนะองศีก็คือเว้นจากพูดยังไงนะเป็นคําพูดที่หนึ่งต้องไม่มู่สาวาดสองต้องไม่ให้ถึงพูดจริงก็ไม่ใช่พูดให้เขาแตกแยกกันพูดไม่ให้เขาแตกแยกกันด้วยแล้วพูดคําไพเราะด้วยไม่ใช่คำหยาบแล้วพูดนั้นต้องได้รับประยยชน์นะ คำพูดนั้นน่ะมีที่อ้างพูดแล้วเป็นอ่าเรียกว่าวินัยะวาทีพูดเป็นวินัยอ่ะพูดคาจัดกิเลสได้นะเป็นอัตวาทีพูดถูกทำเป็นวินัยะวาทีพูดถูกวินัยพูดมีหลักมีฐานหลักฐานฐานก็คือที่ตั้งอ่ะนะคือมีเหตุนะพูดคําพูดมีเหตุแล้วก็พูดมีที่สุดนะนั้นสัมมาวาจาเนี่ยพูดที่กล่าวได้ดีที่สุดคือพระพุทธเจ้านะสัมมาวาจาอย่างเต็มเปี่ยมก็คือการกล่าวธรรม การพูดอริยสัจนั่นแหละเป็นสามมาวาจาที่ที่สูงที่สุดนะนะบุคคลเชื่อว่าอนุโทไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยนะเพราะไม่ฟุง้งซ่านโดยการยกตนด้วยคมสา ม, มารถแห่งชาติเป็นต้นนะนะมันคนที่ฟุ้งซ่านก็อ้างเรื่องชาติเรื่องตระกูลเรื่องโภคะเรื่องอความเป็นหัวหน้าเป็นต้นมาไว้ข่มผู้อื่นเเรียกว่าผู้ฟุง้งซ่าน อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าสงบแล้วเพราะสงบกายญุจริตสาได้โดยเว้นขาดจากกายญุจริตนั้นชื่อว่างดเว้นเพราะงดเว้นคือละมโนทุจริตทั้งสามได้พูดด้วยปัญญาก็เพราะพูดละเมียดละไมไม่ล่วงละเมิดวจีทุจริตสี่ประการแสดงว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนี่ยดีเยี่ยม เชื่อว่าไม่ฟุ้งซ่านเพราะไม่มีความฟุ้งซ่านอันเกิดแต่นิมิตคือทุจิริตสามคนฟุ้งซ่านคือยังไงคือพวกที่ทุจิริตสามนั่นแหละที่มานั่งฟุ้งส่ว น, วนใหญ่นะเป็นผลของความชั่วทางกายบัางทางวาจาบ้างทางใจบ้างอ่ะนะที่มานั่งฟุ้งๆกันอนะ่ะที่เดือดร้อนไม่สงบเนี่ยก็เพราะผลของทุจริตนั่นเองก็ผู้ตั้งอยู่ในศีลอันบริสุทธิ์โดยละทุจิริตสามอย่างนี้ได้เช่นนี้เป็นผู้มีจิตตั้งมั่นเพราะละอุทธจจะได้ กระทำสมาธินั่นแหละให้เป็นเหตุใกล้เจริญวิปัสนาแล้วย่อมเชื่อว่ากำจัดบาปประรมทั้งหลายคือขจัดสังกิเลตธรรมที่ชื่อว่าลามกเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความลามกได้แม้ทุกอย่างตามลำดับมักได้แก่ละได้ด้วยสา ม, มารถแห่งสมุทเฉทปหารถามว่าเหมือนอะไรเหมือนลมพัดใบไม้ให้ร่วงไปฉะนั้นนิมิตของผู้มีศีลบริสุทธิ์คืออะไรคือผู้ที่ละทุกจริตสามอย่างได้ มันแสดงว่าถ้าขณะใดาที่ทุตจิติสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนะขณะนั้นศีลไม่บริสุทธิ์นะนะเป็นผู้ที่ละทุตจิติสามได้ดีเนี่ยนะก็ไม่ฟุง้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านเพราะอะไรเพราะศีลเนี่ยนำมาซึ่งความไม่ฟุ้งซ่านอยู่แล้วเพราะอบรมส ม, มะถะนี้ไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยฉะนั้นก็นิวรณ์ก็ไม่กลุ่มรุมนี้เมื่อ น, นิวรณ์ไม่กลุ่มรุมอย่างนั้นก็อบรม วิปัสนาพิจารณาขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นแจ้งขันเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีเป็นแดงลูกศรเป็นต้นนั่นเองเพราะะฉนั้นก็สามารถกําจัดบาปประทรมทั้งหลายถามว่าบาปประทรบนะที่คนทําบาปทําบาปเพราะอะไรก็เพราะขันห้านั่นแหละถ้าตัดฉันราคะในขันห้าแล้วนะจะอาศัยขันห้าทําบาปอีกไหมเอา ที่เราทําบาปหลายๆเรื่องเลยนะเพราะรักขันห้านะเพราะมีฉันทราคะในขันห้าเพราะมีกิเลสในขันห้าจึงต้องทําบาปถ้าเจริญวิปัสนาจนละเยื่อใยในขันห้าแล้วจะทําบาปอะไรสักอย่างอีกไหมไม่มีเนี่ยนะเพราะไม่มีเพราะเห็นความเลวร้ายของขันห่านะจะมีอภิชากับขันห้าไหมเอาถ้ารู้ความเป็นไปของขันห้าตัดฉันทราคะในขันห้าได้แล้วจะเสียใจเพราะขันห้าอีกไหมถ้ารู้เหตุเกิดความดับ จนถึงสลัดออกจากขันห้าได้หมดแล้วเนี่ยถามว่าจะหลงไหลในขันห้าอีกต่อไปไหมจะถูกขันห้าเป็นต้นหลอกหรือไม่ไม่ได้มันก็เลยเป็นผู้ที่กำจัดบาปประธรมได้อย่างแท้จริงเหมือนก็เรียกว่าตัดเยื่อใยในขันห้าตัดกิเลสในขันห้าทั้งหมดเหมือนอะไรเหมือนลมที่พัดใบไม้ให้ร่วงไปฉะนั้นอุปมาเหมือนลมเนี่ยนะย่อมกำจัดใบคือใบที่เหลืองของต้นไม้ให้หลุดจากขั้วชันใด ผู้ที่ตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติตามที่กล่าวแล้วก็ฉันนั้นย่อมนำบาปประรมทั้งปวงออกจากสันดานของตนได้นคนะาถานี้เป็นคำกล่าวการพยากรณ์อรหัตผลของท่านนะเพราะท่านทำได้อย่างนั้นจริงๆเพราะท่านตัดกิเลสในขันห้าได้หมดสิ้นเชิงในคาถานี้แสดงความบริสุทธิ์แห่งประโยคะด้วยการกล่าวถึงการละกายทุจริตและวจีทุจริตเนี่ยนะ ันผลที่ประโยค่าดีที่สุดคือผู้ที่ไม่มีกายทุจริตและวจีทุจริตแสดงถึงความบริสุทธิ์แห่งอาสยะด้วยการละมโนทุจริตอัธยาศัยดีก็อยู่ที่ไม่มีมโนทุจริตเรียกว่าคนอัธยาศัยดีแสดงถึงการละนิวรของท่านผู้มีประโยคน์และอาสยะบริสุทธิ์อย่างนี้เพราะตั้งอยู่ในความไม่ฟุ้งซ่านด้วยกล่าวถึงความไม่มีความฟุ้งซ่าน ในบรรดาประโยค่าและอาศัยะเหล่านั้นศีสลสมบัติย่อมแจ่มแจ้งด้วยความบริสุทธิ์แห่งประโยชน์ค่ะปัญผนที่มีประโยคะดีก็คือมีศีลบริสุทธิ์การกําหนดธรรมที่เป็นอุปการะต่อสมถะย่อมแจ่มแจ้งด้วยความบริสุทธิ์แห่งอาศัยะคนอาศัยาดีคือคนยังไงคือเนคขมมะคนที่มีเนคขมมะคนที่มีอัพยาปาทะคนที่มีอาโลกสัญญาคนที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่มีวิจิกิจฉาเรียกว่าคนอาศัยาดี ถ้าอัธยาศัยดีอย่างนี้ก็เข้าชานได้ได้ชานอยู่แล้วอัธยะเลยอัธยาศัยไงแปลว่าแปลเป็นไทยๆเลยนะสันดาลน่ะหรือนิสัยอ่าหวังกันเถอะ ด, ดีก็ได้เลวก็ได้เช่นไอคนนี้อัธยาศัยไม่ดีก็คือเช่นมัก ม, มา ก, มากในการหมกมุ่นในการเป็นต้นนั่นเอง อาศัยะนี่แบ่งเป็นสองอ่ะนะอาสยะอาสยะดีกับอาศัยะไม่ดีในอาสญุสยะยาน่ะมีกล่าวไว้เพราะฉะนั้นผู้ที่บริสุทธิ์แห่งอาศัยะอย่างนี้สมถะภาวนาก็ดีสมาธิภาวนาก็แจ่มแจ้งด้วยการละนิวร์อ๋ออาัยะไม่ใช่อาสวะเด่๋ยคนละอย่างกันปัญญาภาวนาย่อมแจ่มแจ้งด้วยว่ากําจัดบาปประธรรมทั้งหลายการที่จะละบาปจริงๆได้ก็เพราะปัญญานั่นเองที่บอกว่า คนที่มีศีลดีเนี่ยนะศีลศีล ส, สมบัติสมาธิภาวนาปัญญาภาวนานะศีลรสมบัติก็คืออะไรอธิศีลสิกขาสมาธิภาวนาก็คืออธิจติตตสิกขาปัญญาภาวนาก็คืออธิปัญญาสิกขาศีลเป็นตทางท่าประหารสมาธิเป็นวิขัมพนะประหารปัญญาเป็นสมุดเฉทประหารศีลละกามสุขาริกาุโยกสมาธิละอัตกิรมัฐานุโย ก, ก, ะะโยกปัญญาเป็น มัชฌิมาปฏิปทาศีลละอบายภพใช่ไหมละภพในอบายสมาธิละกามาวจรภพเป็นต้นปัญญาละภพทั้งปวงนั้นก็พระมหากโกธิตะนี้ก็ประกาศถึงความเป็นเลิศในทางบรรลุมรรคผลนั่นเองเป็นเลิศในทางปฏิสัมพิธาเชี่ยวชาญแตกชานพอคาถาของท่านที่ที่กล่าวไปแล้วโดยสรุปก็คือผู้สงบ งดเว้นจากการทําความชั่วพูดด้วยปัญญาไม่ฟุง้งซ่านเนี่ยนะอันนี้ก็คือความเปี่ยมล้นด้วยอะไรท่านศีล ส, สัมปทาของท่านดีสมาธิสัมปทาท่านดีปัญญาสัมปทาท่านดีและอะไรอีกท่านยังมีคุณธรรมคืออธิศีลอธิจิต อ, อธิปัญญาท่านเว้นจากการมสุขาลิการนิโยคเว้นจากอัตตากิลมัฐานุโยคปฏิบัติในมัชชิมาปฏิปทาท่านออกจากภพทั้งปวงได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นเป็นการกําจัดบาปประธรรมของท่านทั้งหลายของท่านมันผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้ที่ทํากิจได้อย่างนี้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ควรที่เราเคารพกราบไหว้สักการะสรรเสริญยกย่องเนี่ยนะนับถือมันเวลาอารหังซัอสุปฏิปันโนพระวะโตสาวกสังโฆก็ละเลิกถึงพระมหาโกธิตาเนี่ยนะโดยที่คุณธรรมเหล่านี้เป็นต้นก็ได้